ไว้มากมีความประจบกอะไรต่างๆได้ความสนุกมากมีความสงบมากแต่ไม่รู้จักว่าเราเงินนูนะเมื่ออะไรมาเป็นเหตุจิตไม่สงบแก่หนีหนีไปที่ไหนถึงนี้อากความสนุกเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้น มีจากความจะบอกเรื่อยๆไม่อยากรู้อย่างนั้นไม่อยากเห็นอย่างนั้นม่อยากคอยคิดอย่างนั้นอะไรอย่างนี้เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นจริงเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นีิงเข้าใจว่าถอยออกไปไกลมากเลยยิ่งมีคนบอกนี้กับคำพูดเช่นนี้อะไรอย่างนี้มีความประใจอย่างนั้น อยู่นานมาต่อมานานมาสิ่งธรรมชาติมันบังคับเรามันจะต้องบวชมันนานอายุพรรษางต่อมากมันจําเป็นจะต้องมีหุักิษฐมากขึ้นมีคนประชาชนมากขึ้นอืเราบวชโยนีป่าปฏิบัติโยนีป่าให้ประหยัดแก่ต่อไปกราบไปไหว้มันจําเป็นอยู่เอง ดผิดดูหาก็ต้องเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นมันต้องต่อสู้มีมากขึ้นนี้ไม่ได้หก็ได้ยินตาก็เห็นอะไรมันได้เกิดความรู้ขึ้นที่ตงที่มันเป็นอาจารย์กวนีม้มากกว่ามันมีปัญญามากมีการปล่อยวางมากอะไรมากไม่ยึดมัน่นถือมันปล่อยไป น, น, นี่เรียกว่ามันเฉลาดศเก่า ที่ดีไหวทุกมันเกิดขึ้นมาไม่มได้รงคืนไม่มได้ข้ามพื้นสมัยกิรภวนามันต้อง ก, การความสงบเท่าะนั้นเราเน่งว่าไอ้เครื่อนภายนอกกันนะมันเป็นเหตุที่ให้เราทําความสงบได้อย่างเดียวเท่นั้นแหละเราไม่คิดถึงว่าเรามีความเห็นชอบมันทําเป็นเหตุให้สงบเกิดขึ้นทำไมที่เห็นตีนี้ในไปเราเป็นเคยพูดเรื่องว่า การสงบมันมีสองอย่างฉะนั้นปลาทั้งหลายจะมีมาแมบ่งความสงบตรงนี้สงบด้วยปัญญาหนึสงบด้วยธรมชาติสงบด้วยปัญญาก็คือสงบด้วยธรรมชาตก็คือว่าโอ้ไกลจากเสียงตากลยจากรูปจิตกายจากกลิ่นอะไรต่างๆนี้อานไปไม่ได้รูปมันจะเห็นไม่ได้ยินสงบ ใช่สงบแต่สงบอันนี้ก็จริงเหมือนกันมันมีประโยชน์ไหมไมีแต่มันยิ่งมันไม่ยิมันมีอายุสรรั้นอมันมีอายุสรรั้นมันไม่แน่นอนราดฐานไม่มีความสงบเจ็บเมืเ่อหากว่าเราประสบตาหูจมูกปีกายประสบอารมณ์ที่ไม่ชอบแดงไม่สงบ อยากให้อนนั้นมีในทีน่จะ ต, ต่อสู้กับมันนี่เรื่อยๆไปจนในมีปัญญาเพราะว่ามันประสบอันนี้เกิดเป็นมาเพราะว่ามันไม่สงบเพรอันนี้อย่างนี้ต่อชู้เรื่อยๆไปในนี้มันสร้างใจขันพอรู้เห็นเกิดมาว่าเออไอความที่สนุกเนี้ยอมไม่ใช่มันเป็นเพราะอย่างอี่เพราะสราเป็นจิตเป็นสุขต้อง อย่างเราให้ความเห็นกศิ์ทั้งหลายว่าที่นี่เป็นที่คุ้นเคยบ่อยๆอย่าง น, น, นั้นรวมตังดแต่เราสร้งใจให้สงบ ค, ความสงบเราต้งมอง ค, อความสงบอย่างดีความสงบนั้นตาไม่เห็นรูปหูไมรไินเสียง ที่ไหนในวุ่นวายไปตรงนั้นมันสงบอยู่ที่ตรงนั้นก็เข้าไปก็สงบจริงๆความสงบมันมไม่มีอะไรทีนี้เมื่อเรารูมันสบงบอย่างนั้นมีกำลังไหมเมื่อเราค้อยออกมาแต่แล้วเมื่อเราหูเรศฟังเสียงตาได้ดูรูปมันต่างๆอย่างไ้่เกิดความป่อยใจไม่พอใจไม่วุ่นวายาเราก็จะมองเห็นว่าไอ้ความสงบแบบนี้นี่เนปะ็นความจริง เรื่องทั้งหลายเหล่านี้เรื่องเรื่องของเขามันจรินเพราะเขาอยู่อย่างนี้แต่อดีนะอะไรเราชอบใจเราดีกว่าเนี่ยมันดีอะไรไม่ชอบใจเราดีกว่าเน่ยมันไม่ดีเนี่ยมันติดของเราเป็นสำคัญมันหมายอารมณ์ในนอกกันแหละนท่านั้นเมื่อความเห็นมันรู้ถึกอย่างนี้มันก็เป็นเหตุผลในการงานเรื่องนั้นมองต่อไปแตอะไรมันดีจริงมองกลับไปมันจริงๆเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้ว เราไม่ต้องไปคิดอะไรเมื่มาเอกความรู้สึกอันนี้มันมีความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมานในความสงบนั้นอันนั้นไม่ใช่ความคิดอันนั้นไม่ใช่ความคิดถ้าพูดกลับเป็นดังธรรมะอันนั้นเป็นธรรมวิจยจักจอดจอดทำตรงนั้นความสงบตรงนั้นไม่ลำคาญแต่มันมีปัญหาว่าถ้าหากว่ามันสงบทํำไมมันมีเรื่อง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 ให้ความสงบนั้นมันจะยอ้อนมาทั่วถึงชาติออกไปเมืออมาเราเห็นูุมันเป็นอย่างนั้นหูฟังเสียงว่ามันก็เป็นต้องมันอย่างนั้นอยู่ดีดอย่างนี้ให้ความสงบสั้งสองนี้ที่สองนี้เปล่งตาเห็นอยู่มันก็สนุไม่กระทกกระเดือนหูได้ยินอยู่มันคงไม่ระตกกระเดือนอะไรมันมันก็ไม่กระตกกระเทือนให้ความสมบงบตอนนี้มันเกิดมาจากอะไรจิมมี่เกิดมาจากหู เกิดมาจากความสงุก็จะมาผักที่งูงูนั่นแหละมันเป็นเดียดเป็นมารู่อย่างนี้อก็เรียกว่ามันปัญญาจะเกิดมันก็เกิดมาจากความสงบจิตใจมันเราจะมารู้่ขอมอย่างนี้มันก็เกิดมาจากความเจนเดียรู้มันโง่มามันจิตมันมีเจนมาด้วยขนตัวตัมมาแรกอะไรคือวังกระป๋ามันทั้งมีความสงบมันทั้งมีปัญญา ที่นี่เวนั่งอยู่ที่ไหนดูที่ไหนไปยก็เห็นแล้วว่าเป็นู่อย่างการเคลื ong, ่อนไหวของมันมันเป็นอย่างี่ยงพอเห็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทางที่แก่ไขเหมันไม่มีทางว่าจะนี้ไปโน่นจะนี้ไปนี้จนี้ไปที่ไหนไม่มีที่ไปมันต้องหนีไปเปัญญาของเราอยูการอยู่ปัจจุเรื่องจินอะไรนันอยู่อื่วไม้นั้นทีต่างวัดปรฏภงใหม่ อจิตทั้งหลายที่กแก่เฒาแน่นะว่าหลวงพ่อเนี่ยคุกคีกับมนุษย์มากนี่เพื่ออยู่อย่งี้ไม่ได้นะไปดิบกับมนุษย์เสียหมดเนี่ยไปใครวัดไป ว, วาดไปดิบครัือเราห่างอยู่วัดเราเขาบอกว่าสาบมาไหว้ใ้ความเป็นจริงรเราก็ไม่ปฏิเสธในเวลานั้นเรายิ่งมีบัญญามากมันรู้เห็หนหลายอย่างแต่รู้จิตไม่รู้เรื่องว่าเราเรียกว่ามันเฉื่อยแต่แล้วมันเฉื่อยเ น, นี่ยคนมากคนปาโควนมาก อย่างนี้เราจะมีไม่มีปัญหาจะตอบครับคนนั้นต้องตั้งเสียนอ่อย่างนั้ น, นั่นเมื่อมารวมที่สุดนั้ น, นมานานมาเราตอบผู้ประจักษ์มามนานเช่ น, นกับตอบถึงวันนี้มันจึงรู้สึกว่าไอ้ความสงบนั้นมันอยู่ในสิ่งความดีชอบของเราเอางถ้าเราเห็นยังไม่ตอบไปดีไหมก็ไม่สงบปัญญามันเกิดขึ้นมาตรงนี้ที่ในความสะดวกในควาสบาย ทีนี้ที่เราทํานี่ดีกว่าอันนี้เราก็ไม่เคจะว่าอะไรต้องใช่ว่าอย่างเรามาปฏิบัติโยชนี้ศีลจะไปสมบูรณ์อย่างนี้อันนี้มันเป็นความสมมตินั่งสมาที่ก่อนที่เราเห็นว่าเดินทางนี่คือไม่มันยาวๆอย่างเนี้ยมันมีสองชนคนจับตั้งปลายตั้งคำก็มาถึงตรงนี้ก็ได้คน ต้นมันม า, าตัวมิาอยา่อยางนี้ครือให้ความสงบเกิดขึ้นปัญญาต่อเกิดยุ่ยจักโทษต่งางๆขึ้น ม, มาเมื่อคอยทั้งวอนทั้งลงมันเกิดเป็นจิตเกินมาไม่ใช่หรือใ่เราให้มัน่นใจในพ่อปีิวัติของเรานานแต่คนเดินมาทางปลายาก็ถูกเลยมาทางต้นมันก็ถูกเมื่อจิตเราดีแล้วความสงบ ม, มันก็เกิดมีทีเรียวว่าสมาธิว่าสมาธิมันมีแล้วปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดนมาแล้วเป็นต้นเมื่อก็รวมสมาธิต่อไปสมาธิเกิดขึ้นมาก็รวมขินต่อไปไม่เป็นไรพ้นขึ้นกันเป็นการรวมต่อไปคนที่เกิดเป็นอันเดียวกันขินก็แยกกันไม่ด้แต่สมาธิก็แยกกันได้ปัญญาก็แยกกันได้ครั้งแรกมันจะแยกกันอย่างจิตธรรมดาเรื่องสมมติกับยิ้มยิ้มที่มันยึดมั่นถือมั่นนี่ยมันไม่ดีไม่ดีแต่ว่ามันยิ่ง ถ้าม่รู้จักสมมุติมันก็ไม่รู้จะดีนมันเป็นไม่พุต่อกันอย่างนี้ือฉะนั้นในระยะอันนั้นไอ้คนข้างนอกมันถูกประเด็นขยางอารมณ์พวกคนมันก็ตั้งมันอยู่ในของเราอยานี้อยู่เพราะด้วยปัญญาของเราเราเบ็นชาตอย่างนี้เลื่อยอยู่ไม่มีอะไรแต่เขปฏิเนะัตใครมาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นมันจะตดเสื่อมแน่วกว่เห็นความมั่นใจของเรามันมีอยู่ฉะนั้นเป็นครูเป็นอนาจารย์คนปฏิบัาเราต้องมัน่นใจ ในการกระทำของเรานี้ไม่ต้องกระตบกระเทือนกระเดือนไม่เต็มไปอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเป็นฟูเป็นอาจาจรย์คนมีปัญญาคนที่มีปัญญาแล้วมันก็ยิ่งมีปัญญาเป็นไปสะสมของเก่าเราเนี่ในมันตะาดขึ้นืีเพราะนั้นตั้งใจในที่นี้ประเดี๋ยว ม, มันก็เปลี่ยนในบ้านะ จิตสบายทายมันสบายก็มันจะอยู่ด้วยกันไดูมนไปนี่เรื่องของธรรมชาติธรรมดาหมดเองขุดถึงเรื่องการเจ็บการป่วยการนี่จะมาเมื่อไหร่อย่าทำไงมนนะมันจะเป็นินะามปาฏิหาริย์มได้แต่ว่าเราไม่สร้างประโยชน์เราสร้างประโยชน์ไมสร้างประโยชน์ไลในโลกนี้ ความดีเลยสร้างไว้ประโยชน์ชนี้ประโยชน์ตนประโยชน์เป็นอื่นประโยชน์ในชาตนี้ประโยชน์นี้พนี้ประโยชน์ในพหน้อย่างนี้ก็ให้มีความสงบรั บ, บี้มีใจใ <c oughs> นต่างต่างของเานาอันั้นอันี้อ้องการเคลียร์มานี่ก็อกว่าเวลามันน้อยก็พยายามจะช่วยถ้าอะไร ม, มาบอกประสองการนี่นี่ต้องกา ร, รา น, นี่ตองมาอย่างนี้กำลั ง, งช่วยเวลาในนัดแต่ทุกอยางเป็นความเห็นดุแในอาจารย์ทุกคนช่วยกัะคองกันไปดีถ้ถึงเวลาพระยังไม่มามันจะมาอย่างเห็นว่ายังเป็นเช็เป็นเมียมน้าตาตามานี่ก็ยังมบาก คือคนจะรู้อะไรเลยอันนี้เราจะเข้าไป่อนที่จับโคโนจะบโน้จะ น, นี้เก็ดี๋ยวในที่จัพ่อปฏิบัติเ่็บดีจะดูจากพระเจ้าประจุมือจิรน้อยจิรน้อยเป็นมาศาสนาจะเป็นไปได้ก็ปเป็นไปอย่างนี้แต่ใทาใจเราเนะเย้ยว่ชาติเราจบอย่างนี้าเป็นเช่นมากมามานะจิตตามประจุคุณตองประทับนะ ดินน้ำปกน้ำาาประบาทประมาทคนสันประบาทคนกข้อเคยบอกเขาว่าจ้างรอยประบาทขึ้นมาแล้วไปไ้ั่นทำบุญนั่นลองเปลี่ยนไปผ้าเอาไกไาเาไ่ไปเป็นผ้าหัวควายเป็นผ้าทำาบทุญกันรือว่าเ้าไหว้ประบาทนี่ข้องเห็นก็เป็นอย่างนั้นข้องเห็นข้องพูดังไม่ช่อยเห็นแตรอยของ ท, ท่านตอนน้ำอิชากันแล้ว ใครไปฆ่าขโมยไปฆ่าวัวไปฆ่าทำบาปมันเข้าใจกับเราทำบุญเราคิดว่านี่มันดีนะก็ดขืนถ้าตัวพระองค์ยังอยู่กวดจะเป็นฆ่าท่านจะแล้วเห็นแต่รอยของท่านตามฆ่าท่านไปท่านไปยังเราไกลไปฆ่าแทนท่านขโมยฆ่าไปทำบาปไปตรงนั้นมันเข้าใจผิดนี่เขาเรียกว่าเขาทำบุญแต่มันอยู่ไกลแตมากนี่มันไป็นทำบาปมันไม่เคยโกงกันข้ามเลย แต่คนที่ไม่มีปัญญาไม่พิจารณาตีตอว่าต้องเป็นอย่างนั้นแนั้นเมืองไทยนะกาลังเป็นอย่างเห็นไหมเมืองไทยนเห็นมัม น, นะม น, มนกาลังเป่เหตุผลท <h ate ful> ี่ว่าฉันอพอรอความเพียรใช่ไหคื อ, อ, อถ้าความพอใจถูกหมถราเพียนถูกไหม อย่าง น, ะ น, นี้เป็นวิริาอาวางไว้ข้างใต้ลเลยันทิรอินตังเยีมังสาเอาวางไว้ใต้ลเลยก็ยสำตรวจตรวจนเขาอยเขารูปนี่จิตตระกมิมังสาดีมังสามันตมันดีมังสาคือความตีตองมันจะเปนยมันคือความฉลาดคือปรรัญญามันจะมาทำบุญที่คออนเราบ้า มันเป็นลักษณะอันเป็นอาการออกจากจิตทั้งหมนั่นเองถ้าพูดแล้วมันเป็นจิตพอใจมันก็เป็นจิตวิริยาะมันก็เป็นจิตดังนั้นจิตตะมันก็เป็นจิตที่บางสารมันก็เป็นมันก็เป็นจิตถ้ารวมแล้วแต่ว่ามันแยกกันเป็นส่วนๆนั่นนี้ลักษณะพอใจพอใจใคว่าโทรรู้ผิดไม่รู้ว่าพอใจเนี่ยเพียน ทางคอามพอใจเพี้ยนเนี่มันคริตหรอถูกก็ไม่รู้เพี้ยนแต่คือย่างนี้จิตตนัเป็นจิตของเราหรืเปล่าที่เป็นเพ้นเนจิตที่แท้จริงหรือเปล่าตอนเาวิมังสาตอนตายาตรวจอารมณ์มันรวมตัวไปมาเจนว่าเห็นสิ่งท่านายมันเป็นเหตุผเนื่องเป็นบรรยากาศอย่างนี้การปฏิบัติของเราค่อยถูก มีด้วยล่ะธรรมะแต่ว่าธรรมะนี่ยถ้าเราไม่ไปภาวนาไม่เกิดประโยชน์เลยมันไม่รู้จักเลยต้องมีจมิรู้จักอันนี้มันจะมีประจําอยู่นใจของผู้ฏิบัติุเนมอนั่งอยู่คนเดียวบนนี้ถึงในวันที่ทำผิดก็ผิดอยู่แต่รู้อยู่จะแก้ ไมิดยอยองผิู่ในหความผิดไหวความึกเกิดมแเก่ตรงนี้าย อ, าอ ก, ร, ก ร, รียนอาจารอ า, าจารเซนอาจารย์ธรรมระตูเดชเจ้านัใ่ใจต้นโพต้พนโพขันดิมไรอาจารย์เซนว่า ทพัฒนาทำใหพัฒนาพวว่าพระพุทธเจ้าเวลานั้นทำใพัฒนาฟังคนนี้เขาว่าใครจะทอะไรก็เอาพระพูทธเจ้าทำางั้นพระพุเจ้าจะเปิดตายยืนการแจ้งการตอตายยืนต้นโพเห็นไหมเห็นเปตายอยู่ที่ที่ต้นไม้อื่นตรงนั้นจะเป็นต้นโพเห็นไหมล่ะ มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ผิ ด, ผดโพ่ก็คือตัวพุท ธ, ธคือผู้รู้นั่นเองเอาาทางวัตนตายอยู่ตัวโพจริงๆก็ให้ไปได้แต่ว่านกตายอยู่ตัวโพเยอะคนตาอยู่ตนเโอเยอะอแต่ว่ามันอยู่นอกความรู้ความจริงจริงก็เจริญกวามไม่ใช่ตัวโพก็ได้ตรงนะเรีย มันกินโคโพอยู่มันตายอยู่ตน้นโพก็จะเรียกว่าไอ้คนสนิดหนึ่งเลยมันตายอยู่ต้นโพก็ได้คนที่ไม่รู้ซึ่งไ อ, อ, อ้คนที่มันรู้ซึ่งเข้าไปเพราะนั้นรู้จากต้นโพอย่างแท้จริงเป็นปรมัตารย์คำที่มาพูดรู้ต้นโพเน่ยเป็นปรมัตา์เป็นปรมัตาธร ร, นะร ม, รมอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเป็นเงืนก็เราพยายามไปตายต้นโพกันก็ดีกเลย มันจะไ เ, เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้อันนั้นเราไม่ต้องเทียงเราตรงนั้นนะที่พระพุทธเจ้าตายกําลังทำกรรมฐานอยู่ต้นโพอย่างนั้นยังก็ไม่ใช่อ่ะยาันน้เราไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยเราหมายถึงปรมาถธรรมอันนั้นนะเรียกว่าตายในความผู้ตามความเป็นจริงทุกหมดตรงนี้ดู เอาต้นโพสองอย่างเนมาแย่งกันเถียงกันจนอุตรุณยิ่งเกิดกันไปใหญ่เนยเลยไม่มีต้นโพเลยมันเป็นปรมัตรธรรมพูดถึงปรมัตรธรรมมึนครอบหมดท่านจะนั่งตายหรือท่านจะนอนตายจังมันเยอนะเนอะอันนี้มันเป็นคำที่คนดใจขึ้นมาหรอกคนหนึ่งเห็นอย่างคนเห็นอย่างอย่างเราก็ไม่ต้องเถียงตงัวงไม่ต้อง กี่พระพุทธเจ้าท่านยันนิพพานอยู่ตรงไหนนิพพานท่นแปลว่ามันหลับไม่มีเชื่อมดอาการที่หมดก็คือควรู้ความรู้ตามความเป็นจินหมดแล้วจะเป็นปรมาจารย์เรื่องสมมุติเรื่องยิบมุดนี่ก็เหมือนกันท่านต่อันหนึ่งมันยิงเลยสมมุติอันนึ่งยิงเหนื่อยยิบมุด อย่างคะ น, นนี่คือคนพเจกไม่มมติมันมีคนนับอย่างคนรเราจงสาที่ีว่ามีมุตต์กับสมมติหนึ่ง ม, ม, มาลงจะพูดง่ายอย่างเท่า บรปัญโยนิเจค อ, อนมันเป็นเด็กวันนี้มันโตแล้วมัน mm hmm. เป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ถ้าเป็นคนใหม่ที่เจคอนมันทำไมมันไม่โตถ้่เป็นคนเก่าจะเป็นคนใหม่หี mm hmm. เนน่เป็นคนเก่า คือจะตอบให้เป็นคนใหม่เป็นคนเก่าไม่ถูกของมันได้พูดถูกกับถูกทั้งสองคนถ้ า, า, นน า, า, ถามาเป็นคนเก่าคนเก่าทําไมมันโตวันนั้นเนี่ยคนเก่ามันีูดไม่ทำไมมันโตจะกลับมาเป็นคน นั้นเป็นปัญหาที่จะองปริวัตนธรรมของไปอย่างนั้นเขาเรียกว่ามันมีเลขมันก็มีโตมันมีโตมันก็มีเลขพูดได้กว่าคนโตก็ได้แต่เขาไม่ยอมถ้าเราหูรั้งนานแตกลจะมันหมไปในนี้ คนเล็กมคนโตก็มีใจ น, น, นะมันจะไปในตานอนนั้นเ น, ะนี่ยคนมุงวัวนะพอมันจะยึดในความเล็กของตัวของมันไปอย่างนั้นเหมือกระตุนไม้ตัวนี้เรับคุนในน้อยยงปีหนึงมันสูงกว่าอีกเม็ดนึเเมื่อปีหลัง ม, มันมีเมดเดียวแต่นัปีที่สอง ม, มันมีใหญ่อีกเม็ดเ็ดสองเ้งนะ น่าจะเข้าใจว่าต้นเก่าหรือต้นใหม่ต้นเก่าตัวต้นเก่าทำไมมันโตแต่ว่าต้นใหม่ทำไมมันจะเกิดใหม่จากของเล็กถ้าพูดถึงรู้ก็จะรู้ทำแต่ความจมันถูกต้องต้นเด็กนไ่ใช่ต้นโตนไม่ใช่ต้นใหม่ก็ใช่ มีคนเล็กก็ไม่ใช่คนโตก็ไม่ใช่นอะนี่มันเป็นไปเพราะมันมีสิ่งเิดจริงนั่นสวยดจริงว่านี่ดับไปอย่าันเป็นของความเป็นจริงแล้วต้องมีอะไรสิส่งใครเนี่ยจบมันก็จ้นี่ก็หมดปัญหาแต่ <c oughs> คุณไปยืนว่ามีตน หนหมันมันมั น, ม, น, ม, นมันเกิด้นจากตวนนั้นมันโตมาในที่นั้นหรือวนะ่ามั น, มนก็นี่ต้องมาเป็นเจนอะไทีไม่สงสัยยังว่ามันก็ไม่สงสัยในการปฏิบัติของเราอย่างนั้นนี่ใชไหม ต่าตัวไปมันขึ้นตัวไมากที่มีที่มันมีเรื่องมาเขียนแบบีอย่างมีเรื่องประการกตบาท์ดินคนเมื่อถี่ทะมุดตสูงขึ้นไปมันก็มองเห็นอยู่าร์ดินคนคนอย่ข้าล่างนี้มองเห็นคนอยู่งบนความเห็นต่างกันไปแต่พูดไปต่างกัน คุณนงอย่างวก็โรบริบูนทํ า, ามทไมคุณที่ทาอย่างนี้ก็ทาเหมือนก็ไม่ได้เลยเจะตอบอะไรนะมันตอบนีนะแต่มันนี่เนมีมนันี่นะ <c oughs> คือตอบไปมันก็ไม่รู้จักตอบไปมันก็ไม่รู้จักมันก็รู้เฉพาะทนนี่นี่ดีๆกิน คนคิดอะไรบ่มาบ่ม า, า, าจะโหวกยัไงโหวจะไม่โหวกะไม่ทับมันเป็นเนหตุในคนเป็นเป็นเนหตุในคนด้วยความรู้สึกเป็นอี้คือคนยังไงที่อยู่กางความสิ่นอย่างนี้ตรงนี้ทันวาเป็นที่ที่ฟูโตเอาจนเองกินพยานของตน ไม่เอาคนอื่นเป็นพยานมันรู้จริงตามเป็นจริงอย่างนั้นตอนนี้ทําไหาเชื่อตอนเองเชื่อตอนเองงไ ม, มีอะไรจะเยง้งไหมต้งบกว่า <c oughs> ใช่ที <c oughs> ่เขาอาไม่ว่าจะจับในอะได้ไม่รู้จับหรือะก็เพราะคนนั้นไ ม, ไ, มไม่รู้จับธรรมทํานนันไม่ใช่หรอกมันรู้เพราะคนอื่นบอก ไัมมาที่แท้จริงเนีคนอื่นบอกก็บอกไมเป็นนทางเดินสูงไปนะ mm hmm. ในความจริงเ้เนี่ยมันไม่รู้จั ก, จกถ้าบุคคลเขาไปพบตรงนั้นมันก็รู้เฉพาะต mm hmm. ัวเฉพาะตัวเองเหมนั่นเฉพาธเจ้ากันจริงจัอหนะอะกากาจารุตาถาปตา แต่ทัดจะเป็นไูมบอกเรื่องที่จะทําก็ทำเลยเป็นบาระบวชหน้าเนเอาคนมาบวชกันทับวชเสร็จแล้วเรื่องของเราหมดชท่นี้นะเรื่องอาจารย์สอดเรื่องพระอุปชาหมดแค่นี้เรื่องของสงฆ์หแค่นี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ เจนี่เขาปวดมันลึกขึ้นะมันชแต่าคนยินฟังดในเรื่องอะไรก็ชั่งมาแล้วมันตไปดึ้ขึ้งอะไรก็ชั่งมันก็มันอไปนกลมเดวนเดียวแต่คนไปจับไปอย่างในอ่านนังสือดาวบทความช้างเห็นเราเคยอ่านนี่ก็ท่านไม่รู้จะเอาอะไร ก็สมมติเป็นช่างจะมาโดนจะเอาคนตายหวอมาทำอยู่ไปถูกตากเหมือนตีไปถูกขาเหมือนถูกไปถูกหเหมือนพัดไปถูกขาไม่ใช่ไม่ใช่พัดเหมือนหวาดีมแล้เก็เป็นอย่างนี้ยันแก้ไม่จกเลยแต่ว่า คือยังไม่เห็นจับช่างตัวเดียวกันคนนึ่งไปจับขาคนหนึงปจับปากมันช่คนนึงไปจับหัมั้งใช่อือย่างนี้เข้าวังบอพูดในสภาแตมันช่างตัวเดียวกันนั่นแะแต่มันเถียงกันในเรื่องอย่างนี้น่าประทับใจนะคุณไว้ใช่มันไม่รู้จักกีฬาต่างประเทศกี่วาหนึ่งเขาวังทีจะยินพูดอะไรก ท่านท่านดีนะถูกจริงเรางถูกไหถูกก็เพียงไปหาอาจารย์นั่นอีกไปฟังธรรมจากอาจารย์นั้นฟังในธรรมวัดกับความรู้ของเราไปพยัญชนะยุ่งยากลำบากว่าจะเอาไหนก็ยังถูกดีก่นอาจารย์นั้นกับเรา เพราะร่านึ่งรยนเช้ยอาจารย์นอาจารย์มันก้นมาอาจารย์อย่างดีเียนอะแต่ทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้น่งฟแต่คิดสงสัยว่าเราไม่ถูกคิดไปเี่ยนาเปียนกไว้ก็ไปฟังธรรมะนั่งฟังไปอาจารย์นั่นก็ให้รมาอย่างหนึ่งเยจากอาจารย์นั้น เนื้อกระแปลกจากเราวุ่นเข้ากันมาแปกกันมาแลยิ่งเพิ่ความสงสัยเนหนึ่งเราสองอาจารย์สามอาจารย์ที่สามเลยบวุ่นใหญ่เลยเปนั่สมาธานี่จะเรื่องบุ่นนะนั่นถุกเนาะิดเนาะไปหึ่สับสนคุณลเวงเนาะพอยู่ในความสับสนไม่สงสัยเคิดรอรอาจารย์ดีจริงว่าาจากญี่ปุ่นอาจารย์เป็น แม่เนี่นเยเพิ่มีนี่นันี้นะเราคุณนึกว่าพอละใช่ปะมันไม่พอเลยยังไงยี่กยี่เราดีสุดนะไปไหมเออไน่าไปดีจ <episódio> ริงนะไปหลายวันได้เลยคิดเลยแคงมีสิ่งสคัญจนิงไปอีสดียไปอีก ไม่มีจบเลยเองค์งที่สองก็เอามาเพิ่มความมุดวายอง์ที่สามก็มาเพิ่มความมุดวอง์ที่สี่ก็มาเพิ่มความมุดายมีแตเพิ่มความมุไม่มีหารนึร่งก็มานั่งกำหนด น, นึกถึนนะงเขถ้าโคดู้วเราพระพุทธเจากำลังกระรู้โทรสัต์ขึ้นกัจะเือ เกิดเอนั่นเอาไงดีเนาะนีกว่าพอแล้วอาจารย์นี่ไม่พออว่าเนองคนี้แตจะสําคัญตัวเขาเัวนึงไปอีกแล้วก็ไปเคยมาเล่าเรื่องเรื่องจิตของเขาเรื่องปฏิบัติผมปฏิบัติคนคนเดียวฟองอินตาพรเจ้าเป็นอย่างนั้นองค์ที่สองเป็นอย่างนั้นองค์ที่สามองค์ที่สี่เป็นอย่างนั้นถ้าว่าไปเรียนกรรมฐานจะเรียนความรู้อย่างมิตรความราู้วายถึง ไม่รู้ว่าข้าพระองค์จะเอาอยัางไงดีหรือจึงบกว่าแต่พระจองค์จำ ก, กัดนหนมากคุณถ้าคุณทำอย่างนั้นไม่จบการชงใชัยแล้วให้คุณนั่นนะปล่อยอดีตที่ได้ทำโดยีไม่ได้ทำโดยที่ผ่านมาแล้วปล่อยที่ผ่าน ถ้าถูกก็ถูกมาแล้วถ้าติดประผิดมาแล้วอย่เอามาพิจารณาเลยอย่างนี้อย่าไปวนก่อนในอนาคตยังไม่มาถึงนั้นท่านก็อย่าไปคำนึงเหมือนเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นอันนี้มันสับจ่ตระความคิดกันนั่นนะอันนั่นคืออาจานยวางอนาบอกไว้ให้ท่านมาทีน้อยอยู่ปัจจุบันนี้ท่านจะรู้ธรรมะ มันไม่รู้จักอาจารย์นู้นไม่รู้จักอาจารย์นี้มันไม่รู้จัก จ, กจิตของเรานี้เพราะจิตของเราหลงทีนี่ก็ที่ปัจจุบันนี้มันวางทั้งหมดเลยดูเฉพาะในปัจจุบันนี่เห็นความเบือ่อหน่าของสั้งขันเห็นความมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความตามจริงว่ามันเป็นอย่าง น, านั้นจริงๆริที่นี้ไ ม, ออมตออต่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องอดีตอยู่ตรงนี้ก็มีความรู้ชัดถึงม า, าอาดีตเนี่ย มันเป็นกองกิจกานไปแล้วอนาคตนี่มันจะยังมาถึงปัจจุบันนี้เรพิจารณารมในปัจจุบันนี้ก็คือเพิจารณาอดีตเดียก็ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตแล้วม่าเดี๋ยวนี้เช่นว่าเราไม่หิวในเวลา น, นี้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะเป็นผลของอดีตคือได้ทานอาหารมาตอนเช้เาแล้นี่ยอาหารมันหล่อเรี้ยงมาเป็นผลให้เราไม่หิวเดี๋ยวนี้นี่ ท่านก็เลยไม่ห่วงอดีตว่าอดีตจะมีอยู่แล้ที่นี่คือผลของมัอนาคตที่ยังไม่มาถึงนั้นมันก็อยู่ อ, อ, อนาคตทำที่เกิดในอนาคตมันก็รับในอนาคตไม่มาดับมันมันยังไม่มาถึงเลยท่านก็พิจนาาในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันก็เป็นเหตุของอนาคตอยู่แล้ว ถ้าเราจะทำความถ้าเราจะมีความดีแล้วก็สร้างดีในปัจจุบันนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้สร้างความดีไปอนาคตมันเป็นผลของมันอดีตป็นเป็นอดีตอนาคตเป็นผลเกิดจากปัจจุบันนี้เราจากปัจจุบันนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือเรารู้จักอดีตรู้จักอนาคตแล้วเราวางอดีตอนาคตแล้วแล้วก็รู้จักอดีตอนาคตมันรวมอยู่ตรงนี้ทีนี่ทางก็ตั้งใจทำวาง อายุอายุการโน้ตการนี้อายุเห okay> ah ็นช um ักข um um um ึ um ้นมาเมื่อปัญญาของท่านตามธรรมชาตินี้ความสงสัยก็หมดไปท่านวางอนาคตอดีตจะแล้วมันมารวบจุดเดียวเป็นเจโกทัมโมไม่ต้องกระบายบาตไม่ต้องกระบายปวดขึ้นเขาอยู่เลยนี่ถ้าไป ท่านก็ไปธรรมดาไม่ไปในความอยาก้าอยู่ท่านก็อยู่ธรรมดาไม่อยู่ในความอยากเป็นชันการปฏิบัติในขณะนั้น ก, กบบระมดสงสยัยไม่มีอะไรจะเพิ่มอะไรอีกแล้วไม่มีอะไรจะถอนออกเรื่องนีน้ท่านก็อยู่วยความสงบเป็นห่วงอดีตอนาคต ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่แต่ว่าอดีตที่มันตานมาแล้วเลยนะข้าเราตัววันนี้กับปฏิวัติตัวันนี้เอาเดียร์รวมตัวนี้ได้หรือเป่ามันตกตรงนี้ไปตรงนี้เพื่นรวมอย่ตรงนี้อนาคตเรก็ต้องจะรู้อดีตที่เรรู้เพอาะว่ามันรวมอยู่จุดตรงนี้ถ้ารมองไปาอนาคตก็ยิ่ไม่รู้มองไปหาอดีตกยิ่ไม่รู้ म วามจริงมนอยู่ที่ตรงนั้นมันมาอยู่ที่ตรงนี้แต่นั้นพระพุทธองค์ท่านจึงกล่าว่าพระพุทธองค์กัตะรู้ด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์เข้มอาชีวะขาวพระพุทธองค์รู้ใครเป็นครูของอาจารย์ของท่านเราไม่มีครูเรา ม, มีอาจารย์กัะรู้ด้วยตนเอง ถ้าโกหกไม่ชั่วใจอย่างนี้แต่วันน่ะไม่เชื่ออย่างนี้เขาพูดในคนนั้นมันไม่รู้จักจะรับต้นนีมันต้องมีครูมันมีอาจารย์ที่เรว่าดีใจเลยที่จะยามทันว่าถ้าหากว่าอาจารย์ใครทันรักกับโลกก่อนรักแต่แม่โกงโกรธซะนะไม่รละ ท่านบอกว่าไอ้ความโกรธไม่มีพยานหลักมันแค่ไอ้ความโลกมันมีพยานหลักท่านบอกแค่นั้นเยียดใจกันเพราะไม่ใช่ท่านบอกกันหมดแล้วก็ต้องไปปฏิบัติให้รู้จริคนตรง น, นรู้เรื่องความจริงของมันจริงๆย่นี้รู้เองตวเองรู้เอยตนเองเห็นเองนนตอนเองถ้าเขาจะมาแ้งนหนึ่งมา เมื่อสายที่ต้นทางนี้ให้การเดินไปเถอะให้การมาเดินช่วยเราตอนนั้นไปเป็นหน้าที่ของเราเดินไปอี่ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ธรรมะที่แท้จริงๆนั้นไม่มีใครบอกใครมันกันจะพูดโดยดึงข้อการกระทาด้วยตนเองข้ อ, อ, อเหตุคนหนึ่งตรงนี้อดีตอยู่ตรงนี้นะครง น, น, รงนี้ปัจจุบันอยู่ตรงนี้จะให้ดูตรงนี้ก็หมดเพื่อน พาองมันจ ม, มองเห็นหรวอไม่นกชกสายจะไปอะไรก็มเงินไทจ่ายเครับในเวลานั้นอาจารย์คีกว่าผลมันจะเกิดออยังไงไหมนี่ว่าการละอีกเป็นการัาเพลินไม่มีสิ่งที่มาเพิ่มข้อีกไม่มีสิ่งที่จะถอนออกตรงเง น, น ก็ จ, ตจุตรงนั้นจุกจิตรงนั้นพระพุองค์บอกว่าฉันก็สอนในโรงตรงนั้นคนไม่ไม่ยอมตรงตรงนั้นมันก็ะจุกตรงทางเดีอวสนใจเลียด้วยก็ยิงยิงไปไปสามกับคนอืน่นก็ยิงมีปัญหามากยิงถามอีมกคนยิงมีปัญหา ม, ม, ก ม, นนกมกากก็ไม่ถึงจุดของนันอันนี้กรรมการมิจิกไรต้องลองดูทิจลองทำเพื่อทาไปถึงในถึงจุด มันก <te> ็เป awesome. ็นอย่างมันถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอย่างหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งถึงจุดอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ถึงจุดที่เป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่ถึงจุดอย่างนี้พูดอย่างไม่ไม่รู้เรื่องรู้อยู่แนุษย์ไม่รู้เรื่องดังความจิตดังความจิตใต่างจริงมันมันมีสิ่งมันเอออกมันเอาเข้ามันถอนมันเติ ถาคุติดสูดได้มันก็เรียกว่าหมดเนี่ยเสียขบุคคลถ้าพูดตามธรรมเสียขัผู้จะต้องศึกษาอยู่ในเรื่องนี้อระเสียขัผู้ไม่ต้องศึกษาอยู่ในเรื่องทางไหนเหล่านี้มีพูดถึงเรื่องจิตจิตไปตื้นอันใดเได้ยหมดการศึกษาในเรื่องทางายเหล่านี้มนผ่านไปแล้วาการเป็นจริงทําไมไม่ต้องศึกษาเพราะว่าไม่มีอะไรจะสงชัยอะไรตรงนั้น ก็เป็นพักพูดตามวาระจิตของคนละกิเลสท่านก็บอกไปว่าเป็นเสภาบุคคลผู้ที่ต้องศึกษาตั้งแต่ขั้นต่ำไปถึงขั้นสูงเมื่อศึกษาไปแล้วถึงที่สุดมันเนี่ยเป็นอาเสภาไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะวา ม, มันหมดหมดทิ้งที่จะต้องศึกษาหมดเนี่ยความชงสจกับหมดเนี่ยความจะเพิ่มเข้าไว้ อาจารย์ที่อยากออกอีกก็ไม่มีอย่างนั้นตัวอยู่ในความสุขให้ดีในชั่วทนั้นก็ช่างมันเถอะปรากฏได้ไว ห, ม, หมันมั่นอย่างนี้นะที่นี่ทนายก็พูดถึงไอ้จิตมันว่างยินไปกันใหญ่ยิ่งไม่รู้เรื่องเนี่ยในจิตกินมันจิตมันว่างทำไมพ้นจะเดินไปได้คอข้อมันว่างหมดแล้วแต่จิตมันว่างทำไมพ้นจะกินข้าวได้ พรามายความอยากกินข้าวมันตัวไมมีมันว่างคนแล้วเรื่องนี้ว่างดดไปหมดเลยเรว่อนี้เกิดประโยชน์เลยจริงนี่ ย, ยอย่างนี้พราะไม่เข้าใจในศึกษาเพราะไม่เข้าใจในการว่างคือคือผูอ้ที่เรียนพูดกับผูดถามอะไรที่มาที่มาพูดตรงนั้นให้มันมีความรู้สึกขึ้นให้คนตัวใจขึ้นมาทั้งฐานที่เราเกิดมานี่นะ ที่เราสะสมมาตั้งแต่น้อยเกิด ม, มาถึงวันนี้สะสมอะไรไว้ท่านพูดตักบดจริงๆแต่อันนี้ไม่ใช่เรามันนั่งในใจของเรานนทำไมแต่พูดอย่างนี่ยไม่มีคำอื่นที่จะดีกว่านี้ท่านจึงพูดคำนี้พูดคำ น, นี้กับคนจะรู้จะมีปัญญาแต่มาู้จะ ย, อยากจะต้องดีไปเรื่อยๆที่นี่คนก็คิดาิอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ตัวเรานี่หรือเราหนีมาทิ้งมาแคนนี้เนี่ยไม่ใช่ของเราก็ทิ้ ง, งเลย ท, ทำนี่ย <destined. itals> มันก็เทียงกอกมามันก็เทียงกอกมาโดยที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นความเป็นจริงก่านทําอย่างนั้นันไม่ถูกต้องท่านอันนี้มาช่ตัวของเราไม่ใช่ว่าท่านจะให้เราฆ่าตรงนี้ให้ตรง น, นี้ตายไปแรงนีน้อันนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่าท่านจะทิ้งหมดเลยนะถ้านในวางถ้านในวาง สมมุติมีแล้ววิมุติมันก็มีแล้วท่านก็ยังเอาสมส ม, มุติมาใชเกันอมันเป็นของใา้ถ้าพูดถึงเรื่องวิมุติจริงๆเลยไม่ไดใช้จะพ้เอเถอะไปสมมุตินายกรนายขอนายกอนายงอรหรืออะไรต่างๆต่างมีชื่อเป็นสมมุติขเลนเพื่อความสะดวกแก่ภาษาที่สมมติทั้งหลายพูดกัน มันก็ต้องมีอยู่เป็นประจำแต่ท่านว่าย่าให้ไปติดตรงนั้นอยากไปยึดตรงนั้นแต่นั้นเป็นของว่างมันพูดอย่ากมันฟังาฉะนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะไปรู้ไปเรียนไปถามไปไมันไม่เข้าใจตามความจริงของมันที่ต้องไปปฏิบัติในรู้เองเห็นเองโอปอลิโกน้อมเข้ามาอย่าน้อมออกแต่ว่ามันมาพูดมายึดในปัจจุบันน ที่คนไม่เคยรู้ธรรมะจริงๆแล้วเถียงมันเถียงในใจครอเพระวเอกคนประเภทหนึ่งเขาคิดไปอย่างหนึง่งคนมีความรู้อย่างหนึง่งก็าคิดไปอย่างหนึง่งคนหนอย่า ง, ง, า ง, งเห็นไหมในวันนะั้นที่ <c oughs> ปริยาเขาเห็นเถียงอยู่ที่บ้านจะไปจันกันไงเข้า่า ผมบอกว่าคื อ, อคนเด้าวนี้มันกลายจากธรรมะเดี๋ยวผมบอดว่าจริงไม่รู้จักผมพูดไปที่เฉยบอกว่าให้ พ, พห่อครับแงกันบอกคนไทยไน่ยไปของใจไม่ไปเด้ยศึกษาเนะาื้อหาเราแทงไม่รู้อ่ะทำไมถึ้งว่าผมไม่รู้เพราะคนเรียนไปทางอื่น แต่ภาพปรดังแต่เพื่อสมเด็จทางนี้แต่คนรู้ทางนี้ไ้่ ร, รู้ไหมว่าไอ้คนคิดตรงไหนที่ไม่รู้จักโงโ่ตางนั้นไอน้คอื่นอาจจะมาก็ย่งโงโ่งใจไหนไม่รูจัาโงโ่เพราะว่าคนไทยตึง ว, วันนี้การบวชเรียนเขียง่านนีน้อยลงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไมร่การงานได้รลกมันจะเริญขึ้นผมไม่รู้บวชตัอตก่อนเ น, นอย่างน้อยตังีปรรษาห้าปรรชา อี่างนี้บทเจ็บวันตัวมีเที่ยงวันตัมีบทตอนเช้าสืบตอนเย็นตัวมีนี่มันจะหมดไปอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าบท อ, อย่างท่านอย่างน้อยต้องหาภาษาสามภาษาสี่ภาษาอานี้เพราโลกนี่ต้องไปเดือนต้องหมดหมดบ้านหมดท้องไม่มีใครทำบ้านให้กินเลยนะไม่ทั น, ทนต้เราเลยตอบว่ั อ, อ น, นั่นมันเป็นความคิดต้องไปเดือน ไสเดือนมันอยู่จมอยู่ในแผ่นดินมันกินดินเป็นอาหารมันตั้งแต่ดินเนี้ยกินแน่กินไปมัน ก, กลัวดินจะหมดมันทายมันอเอาขึ้นบนที่สัม่งก่อนกัวดินจะหมดอย่างนั้นอันนั้นความคิดของไสเดือนไอ้คนที่กินมากโลคนี้มันจะไม่จะเดินมันจะจบไปนในเป็นความ ควาคิดของไสเดือนจะไม่เป็นไสเรือนหรอกแต่มันค้ายกันกับไสเดือนมันคิดแดี๋ยวก็ต้องพูดไปถึงว่านกจะรุ่งยังมันอยู่ดินเดิมจะช้าคอ ย, ยมันกลัวดินมันจะหลบลงไปข้งางล่างมันมีความระแวดระวังอยู่เสมุอันนั้นเป็นเป็นความคิดที่ที่ว่าสัตว์มันโง่ มันตกทิศอย่างนั้นของมันต้องได้เล่าไปเดนะ้ไหยครับคือมันยังไม่รู้เป็หลัก ง, งูกับเตา่ไาไฟไหม้ป่ามาเตา่ามันจะเกียยกะตายไปหนีไฟไปเจองูมันขวบดึงดูอตายงูมันดูตายไฟยังยิงลุกลามกันเองอยูยกัวสงสารามงู ก๊อก ส, สารมันทําไมก็ขามันอยู่นี่นี่เป็นยัให้พอไฟจะไหม้มันตายนีนน่ก็เลยก๊อกสารมันก็เวนใจช่วยงูเนี่ย ง, งูเกิจขึ้นพอดีไฟไฟมันไหม้ละมาใกล้ๆแล้วของงูมันขี้ออกขึบเต่าอะไรอยู่ตรงนั้นวิ่ง น, นีไฟกันทันไฟได้ไหม้เต่าตายเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้ฟัง อันนี้ก็คือความโง่ของเต่าพราะเขารู้สึกว่ามีขามันเดินได้ถ้าไม่มีขาเดินไปได้บัด น, นี้ไปไปพบกับงูเขางูนี่ค่ะเต่าเข้าใจผิด ต, ตัวนึกว่าไปจะไม่ตายตัวเขาจะตายบัด น, นี้เรามาตายเรามีขาเรายังวิ่งไปไม่ได้งูมันใจเย็นไปมาแปลงซู้แปลงคนอันตราย สำหรับแก่แก่แกเพชรของคนที่มีความรู้สูงเราคนไม่บอกว่าใทรโง่ตะมาก็โง่เมื่อไอ้่จริงๆตะมาไม่รู้โง่ต้งนะ น, นั้นมันนไปงใครพูดไป่มัรเชิญดูถูกก็เรียนปริญญาเทปริญญาเอมาแล้วสวาของอนะไรก็เรียกว่าไทยมันไปเร่รู้อะไสักปรารสอนได้กนะ็ได จ, จะเียนอเราเรื่องนี้ก็ออฟังอืมการเรียนเราฟังอะไร <c oughs> แต่ต้องมาถามด้ด้วยตอนที่สองชันก่อนกินผู้คื อ, อยังในรู้นะมันยังไม่รู้ว่าทักป็นไงเขาเคยกินข้าวมันก็คุยให้เป็นเอคไความไปกินพระเนี่ยท่านเพิ่มปากเอากินข้าว เอามาพูดด้วยมันทำงานมากเกินไปมันจะเป็นไปจะดีแต่มันเราเคบอกว่าฉันเส็ก่อนเลยถอยไปน่อยเไ้ปากอันเดียวเที่ยวข้าวมันพูดมันบากถอยไปนะเสร็นนี้แล้วไปัดเส็จแลวต่อมาถามาในนนีเชที่จะถามเพราะว่าอาจารย์ต่อการอะไรนะ มันมีกระบการที่เขาหนือยมากนันโย่อสังเกตแต่ว่าก็เก็บรับใช้มันมีอะไรจะใช้มีนมีอะไรอย่เงยจะมาขออาไรมากอะไรก็อยากไม่ได้สามปับปับคงดูนาริกาต้มลาแล้วทำหานอื่น